คิว่าวันนี้พอมีเวลาพอมีโอกาสกระจแนะนำหมู่พวกเพื่อนทั้งพระใหม่พระเก่าธรรมดาผมผู้เป็นผู้หัวหน้าเป็นผู้ปกครองถ้าจะว่าไปแล้วเป็นเหมือนคพ่อแม่ที่จะหนีจากบ้านแต่ละครั้งก็ต้องเป็นห่วงลูกว่าจะอยู่กันอย่างไรจะอยู่ด้วยความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไห ม, มอย่าทะเลาะวิวาทกันนะอย่างเนพ่อแม่ต้องเป็นห่วง ผมก็เหมือนกันในฐานะพ่อพ่อวัดจะไปแต่ละครั้งผมก็ต้องได้คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นที่ได้ไปชุมวันนี้ก็เป็นเพื่อเรียกเข้ามาเพื่อให้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันผู้น้อยผู้ใหญ่ควรทำตัวอย่างไรเวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ ใช้ทิฏฐิมานะออกมามันไม่ถูกนะไม่ใช่ผู้มาศึกษาผู้มาศึกษาแล้วถึงครูบาอาจาราย์ไม่อยู่ก็เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปแข็งกระด้างบางคนบางครั้งเวลาครูบาอาจาราย์ไม่อยู่อันไหนที่เป็นจะผิดทํานองทำเนียมของท่านที่ท่านพาปฏิบัติมานั่นแหละกระเสือกกระสนไปเอาสิ่งนั้นแหะ เขามาประพฤติปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ต่อไปไปภาคหน้าองค์นั่นละ่ะไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์หมู่พวกเพื่อนจะยอมรับไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะมันออกนอกลู่นอกทางขนาดอยู่กับครูบาอาจารย์แท้ๆก็ยังสบแสวงหาออกนอกลู่นอกทางถ้าอยู่ตามลําพังคนเดียวละ่ะครูบาอาจารย์ไม่เดชแ น, นะนําล่ะจะไปถึงขนาดไหนอย่างเมื่อวานองค์หลวงตาท่านพูดหน้าคิดทีเดียว ท่านบอกว่านี่มีพระนะห ม, มือเนี่ยพระที่มาเกี่ยวข้องกับเราเนะี่ท่านบอกทั้งจังวัดด้วยเป็นพระผู้ใหญ่แต่ก่อนเราก็ไปมาหาสู่แต่ทุกวันนี้ไปดูดูแล้วขนาดพระปฏิโมกย่าังสวดปฏิโมกยย่อในวัดพระเนงก็มากดูดูแล้วมันอยู่เป บ, บชังกระต่าย เราไม่อยากจะไปใกล้เลยพระชังกระตายพระไม่มีนั่งยาพระปฏิบัติเกลเลวพระไม่อยู่ในศีลเราครบไม่ได้เราไปคบค้าสมาคมไม่ได้เราเห็นแล้วเราเอื้อมละอาอย่างมากพูดเมื่อวานนี่นะทั้งที่ท่านอายุเก้าสิปีแต่ผมไม่ขอระบุชื่อว่าวัดไหนท่านพูดให้ฟังผมก็เออไม่ใช่ธรรมดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับนี้ตรงตาเนี่ยท่านถึงอายุขนาดนี้แล้วท่านยังเข้มงวดกวดขันต่อหลักพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในผมไม่ได้ยกเอามาตําหนิตีเตียนต่อเพียงถาวายกเข้ามาให้เป็นตัวอย่างสําหรับพวกเราว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าว่าองค์ไรก็ตามไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยแล้วเข้ากันไม่ได้ เข้ากันไม่ได้เหมือนกับน้ากับน้ำมันอย่างนั้นอนะ่ะมันเข้ากันไม่ได้กิเลสกับธรรมมันจะเข้ากันได้ยังไงมีแต่เราจะเคียกกิเลสออกจากหัวใจของเราเราจะไปวิสศาสศะกับกิเลสละ้ะไปนอนกับอสรพิกคือกิเลสเหรอไม่ได้นั่นแะผู้มีธรรมอย่างองค์หลวงตาต้องเป็นอย่างนั้นที่ท่านพูดเมื่อวานผมฟังแล้วถึงใจนะแหมผมก็คิดนโอ้หลวงตาท่านพูดให้ให้ผมฟัง ท่านอาจจะเป็นการแนะนำผมต่อไปในอนาคตก็ได้สิ่งตัวที่เราจะไปมองข้ามอย่างนั้นไม่ได้ท่านอาจจะให้ความคิดท่านระวังตัวนะถ้าเผื่อท่านมีชื่อเสียงต่อไปภายภาคหน้าเป็นพระผู้เท่าต่อไปท่านอาจจะหลงละเริงอย่างนั้นก็ได้นะอันนั้นไม่ใช่หลักธรรมวินัยนะเข้ากับเราไม่ได้นะอันนี้ท่านอาจจะเตือนผมเองก็ได้เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมได้ยินได้ฟังแล้วผมก็ยก ทูหัวทีเดียวที่หลงองหลวงตาพูดมาาเมื่อวานเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่มาอยู่กับผมก็เหมือนกันสิ่งไหนที่ผมแนะนําแล้วบอกกล่าวแล้วเป็นที่รู้แล้วว่าอนั้นไม่ถูกอย่าลิธรรมอย่าขืนธรรมอย่าจงใจในการกระทําอย่ายินดีในการกระทําในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ไม่เห็นด้วย ถ้าตัเองคิดอยากจะทำให้หนีออกจากวัดของเราผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ขอร้องให้พวกท่านทั้งหลายอยู่พวกท่านทั้งหลายอยู่กับผมเอนะเพราะผมอยากจะได้หมู่พวกเพื่อนมากถ้าว่าหมู่พวกเพื่อนนี้จะพบไปแล้วผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงพวกท่านเคยได้ยินไหมที่คำร้องอย่างนี้ของผมเพราะนั้นพวกเราทุกๆองค์มาอยู่กับดเจตนาดีมาเพื่อบำเพ็ญมาเพื่อศึกษา มาเพื่อปฏิบัติตนแล้วก็พยายามทำตนให้เป็นพระที่ดีอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าไปทาอย่างนั้นแสดงว่าออกนอกผู้นอกทางไม่ไปตามแนวแถวที่ผมแนะนำสั่งสอนผมแนะนำสั่งสอนนั้นผมเอาทำนำคาสั่งสอนแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมได้ศึกษามานำมาว่ากล่าวสั่งสอนพวกท่านทั้งหลาย ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นพวกเราที่มาศึกษาทุกๆ ท, ท่านนะก็ให้อยู่ตามที่ผมแนะนําสั่งสอนเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยผมเป็นห่วงในการที่จะออกเดินทางไปแลมคลืน่นออกจากวัดไปก็เหมือนพ่อแม่เป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาแต่ถึงยังไงก็ตามอาการเป็นห่วงนี่ก็มีที่สิ้นสุดเหมือนกันคือเป็นห่วงในระดับหนึ่งท่านเอง จะหาว่าพวกท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมถ้าผู้มีอุปนิสัยอยู่ถ้าหากว่าได้ยินครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวก็จะเดินผูกท่องผูกทางแต่ถ้าหาว่าดื้อด้านไม่มีละอายแก่ใจแล้วเป็นพระที่ไม่มีฮิลิทวันอายแก่ใจแล้วเป็นผู้ไม่สนใจเป็นผู้อยู่ชังกระตายอย่างนั้นผมก็สุดวิสัยที่จะแนะนําสั่งสอนแต่ผมรู้เมื่ อ, อไหร่ ว่าพวกท่านเป็นลักษณะอย่างนั้นผมกับพวกท่านทั้งหลายก็เข้ากันไม่ได้อีกเหมือนกันเหมือนน้ำกับน้ํามันอย่างนั้นถึงพวกท่านจะอยู่ก็อยู่แบบชังกระตายไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะอยู่ไม่มีอนาคตอยู่แบบไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะการอยู่กับผมเนี่ยต้องมีความมุ่งมั่นมีความขยนันมีความอดทนมีความตะ้ง อ, อกตั้งใจเป็นเบื้องหน้าหวังมรคนิพพานจริงๆ เราจะไปมุ่งหวังอะไรในโลกวัฏสงสารนี้ไม่รู้เราจะตายวันไหนที่ผมไปในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮานะไม่ใช่อยากไปไปด้วยเหตุด้วยผลเรื่องเหตุผลที่จะต้องไปก็ต้องไปถ้าไม่ไปไม่เหมาะไม่ถูกต้องสมควรจะไปอันนี้ไปด้วยเหตุผลไม่ใช่ว่ามคิดสนุกแล้วก็ไปไม่ใช่อย่างนั้นทุกวันนี้ผมอายุถึงขนาดนี้แล้ว ไอ้ความเรื่องการสนุกสนานเพลิดเพลิเพนเฮหาจะไปตามสัญญาอารมณ์ของตัวเองมันเกือบจะว่าไม่มีแหละไม่มีเชลเลยแหละพูดอย่างนั้นได้เพ่อไปเพราะอะไรทําไมเขาขอร้องอะไรเหตุไรเพราะอะไรได้ประโยชน์อะไรเมื่อเราไปเสียงเหล่านี้นผมก็ต้องมาทบทวนใข้ครวรไต่ตรองพอสมควรที่จะตัดสินใจแต่และเรื่องแต่และเรื่องที่จะต้องไปเพราะนั้น หมู่พเพื่อนทุกอง์ที่อยู่กับผมก็อยากจะให้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลไปด้วยเหตุด้วยผลการคิดจะทําอะไรก็ด้วยเหตุด้วยผลให้มีความมุ่งมั่นให้มีความพยายามให้มีความตั้งใจอย่าเอากีเรติโลภโกรดหลงเข้ามาสู่จิตใจไปตามอําเภอใจไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่แบบเออเลเหยลอยลมไม่มีจุดหมายปลายทางการเป็นอยู่ก็อยู่แบบซื่อบือ้ออยู่แบบง้ๆ อยู่แบบเสื้อเซออยู่ไม่คิดไม่อ่านอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะไม่ใช่เรื่องของพระนะไม่ใช่เรื่องของพรพุทธศาสน า, ศาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พวกเราทําอย่างนั้นนะสอนให้พวกเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความพยายามสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีกติที่เหมาะสมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในตแนะนำสั่งสอนจากแคจากหนังสือที่พวกเราได้ศึกษารู้แล้วว่าอันนี้คือ พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนาพวกเราก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นฟิตตัวให้เข้มแข็งขึ้นเราไปนอนจมนอนใจได้ยังไงเกิดมาในโลกนี่ไม่ใช่สถานที่นอนจมนอนใจถ้าเรานอนจมนอนใจก็เหมือนกับหมูอยู่ในเล้าอย่างนั้นนอนจมอยู่ในเลา้าอยู่ในคอกอย่างนั้นกินเป็นวันๆอยู่เป็นวันๆเขาเอา ลำเอาข้าวเอาแกลบเอาผักมาให้กินเอาน้ำมาให้กิน เ, เขาลดน้ำให้เกิดติดอยู่ในอคอกในเล้าอีกสักวันหนึ่งความตายเข้ามาถึงหรือมันแก่พอที่จะชั่งเป็นกิโลขายได้แล้วมีน้ำหนักพอแล้วเาขาก็จับไปใส่รถจักน้ากันนั่นแหละเข้าโรงค้อนค้อนเขาทุบหัวเนะชือดคอเป็นยังไงความสุขที่เราอยู่ใน เล่าในกรงนัะนเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วเหรออันนี้ก็เหมือนกันพวกเราน่าจะเปรียบเทียบได้ว่าการเป็นอยู่ของพวกเราอยู่ดีมีสุขเล็กๆน้อยๆอย่างนี้กับมรณะภัยที่จะถึงต่อไปภายภาคหน้านมันเปรียบเทียบกันได้แล้วเหรอเรารักษาอยู่ดีกินดีเพื่อให้ถึงความตายอย่างนั้นเหรอให้อยู่ดีกินดีเพื่อถึงวันตายอย่างนั้นใช่เหรอ เราไม่ได้เตรียมอย่างอื่นไว้อีกบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นแต่นี้เมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็ควรไตรตรองเหตุและผลว่าถึงเจ็ดจุดจบจุดนั้นขึ้นมาได้พวกเราควรจะทาตัวอย่างไรควรจะทาใจอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ควรจะมั่ว ลุ่มหลงมัวเมาในโลกวัตะสงสารในความสุขเล็กๆน้อยของเราเพราะความสุขเล็กๆในน้อยเนี่ยเหมือนกับเหยื่อเป็นเหยื่อล่อท่านเองมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะฉนั้นความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรเราควรจะสดแสวงหาทางด้านจิตใจของพวกเราอย่างที่พระพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านค้นคว้าศึกษามาอย่างที่ องค์หลวงตาพูดเมื่อวานนะท่านบอกว่าถ้ามันชําระกิเลสออกจากใจแล้วมันหมดจริงๆนะมันเย็นจริงๆนะแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อควรทางด้านจิตใจอีกแล้วนะมันนึกสงเคราะห์อะไรมันคิดเรื่องอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเคลือบแฝงมันปล่อยมันวางมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดอท่าว่าชําระออกตัวนั้นแล้วตัวนั้นอ่ะตัวกิเลสนั่นอ่ะตัวนําหน้า ที่ให้สัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากวกวนเวียนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคือตัวกิเลสถ้าจำนวนออกตัว น, นั้นไปแล้วมันลาบคาบมันไม่มีสิ่งที่มาก่อกวนทางจิตใจอันนี้ท่านก็พูดถึงส่วนลึกของใจให้พวกเราได้ศึกษาเป็นระยะระยะมาถ้าว่าเข้าไปแล้วท่านจะพูดเรื่องด้านจิตใจทั้งนั้น พอพระเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เข้ามาอย่างอื่นไม่ได้มาศึกษาเรื่องการบ้านการเมืองไม่ได้มาศึกษาเรื่องโลกทำมาค้าขายไม่ได้มาศึกษา เ, เพื่อสุขภาพร่างกายแก่โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้มาเพื่อศึกษาเรื่องเรื่องอยู่เรื่องกิน เ, เรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องต่างๆของโลกวัตถุสงสาร เข้ามาบวชเพื่อศึกษาาทางด้าน จ, จิตใจขณะนี้ใจของเราเป็นยังไงความนึกคิดของเราเป็นยังไงมันปุงฟูงซ่านออกไปทางไหนมันถูกต้องถูกทางหรือยังเป็นมิจฉาทิฐิหรือเป็นสัมมาทิฐิเป็นมิจฉาทิฐินั้นเราจะเอาตัวไหนมาวัดมันถูกต้องตามหลักวัฒธรรมนในของพระพุทธเจ้าไหมที่เราคิดที่เราพูดที่เราทาไปเนี่ยถ้ามันผิด ออกนอกตูก้นอกทางไม่ไปตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ออกมาจากหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วอันนั้นเป็นความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิการทําเป็นมิจฉาทิฏฐิการพูดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าว่าพูดคิดพูดทําตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าเอาหลักพระธรรมวินัยมาเป็นแบบฉบับมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นบรรทัดเป็นกระจกเงาสําหรับมองตัวเองอยู่เสมอ นั่นแหละนั้นแปลว่าเป็นผู้เดินตามหลักธรทำวินัยใจคิดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความคิดที่ถูกต้องการพูดออกไปเป็นพูดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาวาจาการกระทำออกไปเป็นการกระทำที่ถูกต้องเพราะใจของเราการคิดของเราเป็นธรรมเป็นวินัยตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ ท่านตัดเอาไว้พอเราได้ศึกษาดีแล้วจึงนําความคิดนั้นๆของพระพุทธองค์นั้นมาเป็นทางเดินของเราเราเก้าวเดินตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเดินตามแผนที่ที่พระพุทธเจ้าเขียนบอกไว้ว่าทางสู่มรรคผลนิพพานนั้นจะเดินด้วยวิธีอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษานะอันดับแรกไปผมพูดเรื่องสมาธิ เรื่องสมาธิเนี่ยจำเป็นและสำคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่ผมได้พูดแล้วกรรมฐานยังไงกําหนดยังไงกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละกรรมฐานแต่เราจะกําหนดกรรมฐาน40ก็ได้กรรมฐาน40คืออะไรพุทธานุสติธรรมานุตสนติสังขานุสติศีลานุสติจติกาคาเทวตามรณะนุสติอย่างนี้นอันนี้ก็คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ แต่ไม่ใช่มีเพียง40สเท่านี้ยังมีอีกมากแต่จะทำยังไงคิดยังไงจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้นั่นแหะกรรมฐานนํามาบริกรรมหรือกําหนดตัวผู้รู้กําหนดดูใจแล้วก็ให้กําหนดกายจุดใดจุดหนึ่งจนจิตเข้าสู่ความสงบกําหนดดูผมไม่ให้ใจฟุ้งไปทางอื่นถ้าเห็นแต่ผมอย่างเดียวกําหนดผมผมผมผมเนี ย, ยใจไม่ให้ออกทางอื่น จะพิจารณากำหนดดูขนขนขนจะกาหนดดูเล็บเล็บ็บเล็ บ, ลบให้ดูเล็บตัวเองไม่ให้ใจอโอบโสงไปทางอื่นถ้าใจพวกเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งอันนั้นแหละคือกรรมาฐานทําจิตให้สงบได้นี่ยทนั้นเมื่อเราทําจิตให้สงบพอสมควรแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคืออะไรพูดให้เจ้าให้คิดท่านไม่คิดไปทางอื่นให้ท่านไม่คิดถึงการบ้านการเมือง เรื่องโลกเรื่องวัตถะสงสารเรื่องเครื่องจับเครื่องจนเครื่องยนกลไกรถ ล, ลาม้าวิ่งท่านให้คิดทั้งนั้นท่านให้คิดถึงร่างกายร่างกายพองเรามีอะไรบ้างตั้งแต่หัวจดเท้ามีอะไรบ้างอยู่ในนี้จิเราล่มหลงเราล่มหลงกายใช่ไหมใจของเราหลงกายใช่ไหมกายอันนี้ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นยังไงเป็นแท่งทองขึ้นมาใช่ไหมไม่ใช่ต่อไปก็จะแก่ แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายถึงไม่แก่ก็เจ็บได้เด็บเกิดมาแล้วมันเจ็บเห็นไหมอะไรกัดอะไรอะไรนั่นขึ้นมามันก็เจ็บไม่ถึงกบแก่แล้วมันก็เจ็บได้เจ็บนี่เปนไม่ไม่เลือกแก่ไม่เลือกหนุ่มไม่เลือกเด็กมันเจ็บได้ทั้งนั้นแก่เจ็บทนเลี้ยงเฉยเฉยว่าแก่เจ็บตายไม่ใช่ว่าแก่ซะก่อนยังค่อยเจ็บแล้วค่อยตายไม่ใช่ แต่ว่าก่อนตายในเจ็บแน่ๆหายใจไม่ออกนั้นระเวทนาแก่กล้าขึ้นมาแล้วก่อนที่คนจะใจขาดมันต้องมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสก่อนที่ใจจะขาดอันนั้นท่านเรียงตามลำดับเกิดขึ้นมาแก่เจ็บตายเพราะเกิดขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายแต่ว่าแก่นั้นไปทุกเวลานาที ไปวินาทีนี่คือแกไปเรื่อยๆแกวินาทีแกนาทีแกเป็นชั่วโมงแก่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไปเรื่อยๆนั่นคือแก่แก่ไปข้างหน้าจนถึงเป็นผู้เท่าผู้แก่อย่างที่ผมเป็นอยู่เนี้ยอันนี้แหละความแก่ของผมเลยแหอายุหกสิบกว่าปีนั่นนี่แหละแก่เป็นอย่างนี้ต่อไปแหแกไปเรื่อยๆนั่นแหละเพรสุดถึงจุดจบของชีวิตก็คือความตายนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้ จุดจบของชีวิตคืออะไรคือความตายอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงท่านไม่ให้ยกเมตมาพูดไม่ให้ภูประโขกอะไรเรื่องเรามาพูดข้าพเจ้าตายไม่เป็นข้าพเจ้าเจ็บไม่เป็นข้าพเจ้าทูนั้นจะเป็นผู้ครองโลกข้าพเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่อันนั้นมันเรื่องหลอกตนเองทางนั้น ถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วข้าพเจ้าเกิดมาแล้วข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเจ็บข้าพเจ้าพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะเปื่อยเน่าร่างกายพร้อมที่จะทับถมลงไปในแผ่นดินสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายของข้าพเจ้ามีธาตุสีในร่างกายมีธาตุสีธาตุแข็งคือกระดูกเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็คือเลือดปัสสาวะน้ำมันในอยู่ในร่างกายของเรา หลายระดับน้ํามันไขข้อบงังน้ํามันเปรว บ, บั่งอยู่ในในท้องของเราที่เป็นน้ํามันอนเรียกว่าน้ำํำดินคือของแข็งน้ําก็คืออย่างที่ว่าน้ําเลือดน้ําปัสสาวะเป็นหลักลมลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องในลําไส้อย่างพวกท้องร้องโกกากอันนี้เกิดลมมาอยู่ในท้องลมหายใจออกเป็นหลักถ้าคนไม่มีลมหายใจออก หายใจเข้าแปลว่าผููนั้นก็ต้องเข้าสู่จุดจบแล้วอันนี้ก็คือลมส่วนไฟดินน้ำลมไฟไฟก็คือทําให้พวกเราทานอาหารเข้าไปหรืเผาอาหารให้ย่อยธาตุอบอุ่นที่มันเผาร่างกายอยู่เดียวนี้ก็คือธาตุไฟทําให้ร้อนอบอุ่นในร่างกายธาตุไฟมันหมดในร่างกายแล้วร่างกายเย็นเสียบแล้วหมดสภาพ ตายทุกคนเลยไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นในธาตุของมนุษย์ในมนุษย์คนแต่ละคนมีธาตุสี่รวมกันอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ในนี้ถ้าให้คิดคิดให้คิดอย่างนี้ถ้าจะคิดตถ้าให้พิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันแตกสลายลงไป ก็ลงสู่ดินน้ําลมไฟถ้าจะไปเผาไฟพอเผาเข้าไปาไฟเผาเข้าไปน้ำเข้าไปไอและเหยเป็ไกับน้ําลมมันก็ออกไปตามลมไฟมันก็ไฟเผาดินมันก็ตกอยู่ในดินคือกระดูกเมื่อก็ตกสู่ดินของมันนี่แหละร่างกายของมนุษย์ชาติเป็นอย่างนี้อันนี้คือให้พิจารณาตามธาตุ พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงใครเป็นคนพิจารณาใจผู้นึกคิดน่นะคิดให้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อเห็นร่างกายเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันชัดเจนเพราะมีสติเรากำหนดดูรู้อยู่ตลอดจากนังใครนึกย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใช่ไหใจนี่เป็นหลงร่างกายใช่ไหม ถ้าร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าถ้าว่าไม่แตกสลายไม่ยังไม่ได้แยกแยะนั้นเราหลงร่างกายใช่ไหมว่าร่างกายในเป็นของเสร็จสวยงดงามใช่ไหมถามใจตัวเองถ้าเราพิจารณาด้วยสมาธิดีแล้วมันจะให้คําตอบทุกคําถามที่ว่าร่างกายพิจารณาดูแล้วถ้าว่าเราพิจารณาแบบโลกโลกเราอยู่แต่ก่อนเราไม่ได้พิจารณา เราอยู่แบบโลกทั่วไปเราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไม่ได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาเราอยู่แบบโลกเราก็ลุม่มหลงในร่างกายของเราว่าเป็นของเสร็จสวยงดงามหน้าตาผิวพรรณผดผ่องสวยงามเราลุม่มหลงตามเรื่องของกิเลสราคะแต่บัดนี้เมื่อเราได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว เราได้นํำทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณามาคิดตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อพิจารณาแล้วโอ้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆมีธาตุสี่ดินาน้ํามลมไฟอยู่ในร่างกายนี่พร้อมที่จะแตกพร้อมที่จะเป็นอสุภะปฏิกูลพร้อมที่จะเปื่อฉลายลงไปสู่ดินน้ํามลมไฟได้ทุกเวลาเมื่อตายแล้ว เพราะนั้นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนใจนะอย่าลุ่มหลงนใจนะให้เห็นตามความเป็นจริงนใจนะในเมื่อเห็นร่างกายตามความเป็นจริงใจของเราก็รู้สึกรู้เท่ารู้ทันพิจารณาดูแล้วเราจะลุ่มหลงกับอะไรในสิ่งภายนอกหลงในลาบใช่ไหมขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ของเราอยู่แล้ว เงินคำทรัพสมบัติสิ่งภายนอกจะเป็นของเราได้อย่างไรใช่ไหมมันก็ใช่ยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขายกย่องออทางโลกประกาศทบัตรเป็นเรื่องจอมปลอมเป็นเรื่องของโลกใช่ไหมแต่เนื้อหาสาระที่แท้จริงแล้วขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นจะเป็นของเราได้จริงใช่ไหมจริงไหม มันก็ต่อว่าไม่จริงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราจดถามบรรดาศักตนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่งอุปโลกกันขึ้นเท่านั้นเป็นของปลอมอไม่ใช่ของจริงขนาดร่างกายสังขารยังไม่ใช่ตัวตนขนาดนี้แล้วการเป็นอยู่ทุกอย่างปัจจัยสีทุกระดับทุกอย่างเรายังยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวเป็นของเราอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้เราก็รู้ว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ถ้าว่าเราไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านั้นร่างกายก็อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายแต่นี้เราก็ต้องอาศัยปัจจัย อ, อาศัยปัจจัยสี่เหล่านั้นเข้ามาเพื่อให้ร่างกายตัวนี้ประคองไปไปชั่วได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินฉลายไปได้ในระดับหนึ่ง ถึงจะมีเงินคําทรัพสมบัติปัจจัยสี่สมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนร่างกายนี่นก็ต้องไปเดินไปในช่วระยะหนึ่งผลในจุดก็ล้มทับถมแผ่นดินแน่นอนเพราะนั่นใจผู้รู้ของเราใจของเราควรจะคิดให้ทั่วถึงควรจะคิดให้รอบคอบอย่าไปลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปถ้าโกรธไม่พอใจสิ่งใดก็ตามอย่าไปโกรธจนเกินไปต้องคิดดูให้ดี ถาจะไปรักใครก็ตามรักทําไมมันรักแล้วมันเป็นยังไงต้องรักความรักนั้นมันเป็นยังไงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตนจะนรักคนอื่นรักจริงหรือเปล่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือเป็นหลอกตนเองเฉยเฉยมันเป็นอย่างที่ใจเราพูดหรือเปล่าสวยงามจริงหรือเปล่าจริงไหมอันนี้ก็ให้ถามใจของตนเองอีกเหมือนกันให้ย้อนมาถามใจย้อนมาถามใจแล้ว มันจะรู้แจ้งเห็นจริงรู้ชัดในจิตใจมันก็ถอยคลายไปทีละน้อยละน้อยรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะถอยคลายไปทีละน้อยละน้อยมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่ถือโทษกโกรธเคืองกับใครๆพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะยืดหยุ่นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นๆเพราะเหตุไรเรารู้แล้ววะเนี่ยโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นพียรา กีค่ครั้งกี่ตรบกี่หนทบทวนดูมันก็เป็นอย่างนะไม่เป็นอย่างอื่นเพรานนะฉะนั้นพวกเราทุกท่านนะการประพฤติปฏิบัติธรรมเนีลยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้จากนั้นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ปล่อยวางที่ไหนนะปล่อยวางที่ใจคลายที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจในเมื่อหลุดพ้นก็ว่าปล่อยวางแล้วนี่แหละธรำที่บริสุทธิ์อันหลุดพ้น มันจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเหมือนกับพวกเราแต่ก่อนเราโงา่เราเรียนหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ออกแต่เมื่อเราอ่านหนังสือออกแล้วความโง่ที่อ่านหนังสือไม่ออกนั้นมันกระตกไปความฉลาดขึ้นมาเราก็อ่านได้มาทดแทนอันนี้ก็เหมือนกันในเมื่อเราไม่ได้พิจารณาแต่ก่อนเก่าเราก็ลุ่มหลวงมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อเราพิจารณา ด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราถอดถอนเราเบื่อหน่ายคลายแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วความบริสุทธิ์หรือความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจุดยืนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านานะ ท, ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาให้บวช ด, ด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นผมได้พูดเกี่ยวกับการ เป็นอยู่ของพวกเราให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจให้ถามตนเองอยู่เสมอว่าเราบวชมาเพื่ออะไรเรามาศึกษาอะไรการเป็นอยู่ของเราทุกๆ ท, ท่านนะตลอดการเป็นอยู่ร่วมกันการเป็นอยู่ร่วมกันให้ดูกันดูกันสันพี่น้องให้มีเมตตาต่อกันให้นักแน่นในหลักธรรมวินัยในศีล เวลาครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างไรให้เราใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลเ ม, เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงตามที่ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขกายวาจัยใจของเรากระยึดมั่นตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นผู้ใหญ่เราก็จะเป็นผู้มีกฎเกณฑ์ ย็ดมันในหลักธรรมวินัยผมก็ยกองค์หลวงตาที่ท่านพูดว่าเต็พินพระผู้ใหญ่แต่ไม่นักแน่นในธรรมวินัยอยู่แบบชังกระตายอยู่แบบบนวันไปขนาดลงปฏิโมกส5บห้าวันลงครั้งหนึ่งกระสวดปฏิโมกแบบย่อไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของพระในวัดเป็นครูบาอาจารย์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้ตํานิติฉินนินทา อง์หลวงตาที่ท่านมีอายุพันษาอายุของท่าน94บที่จะถึงเดือนสิงหาเนี่ยี่ปีละท่านยังเป็นผู้หลีกเล่นคงเส้นคงวาอยู่ตามลำพังของท่านผมว่าเป็นพระผู้เท่าหาได้ยากอย่างยิ่งเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านให้ยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจ แต่ั้งว่าพวกเราเดินออกนอกลู่นอกทางแล้วพวกเราก็จะมีแต่ความหายนะจะเข้ามาสู่พวกเราเพราะนั้นวันนี้ผมพูดให้แก่หมู่พเพื่อนได้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรนะอันดับแรกนเน่ที่ผมจากไปธุระออกไปข้างนอกผมเป็นห่วงในฐานะที่ว่าผมเป็นเจ้าของวัดที่หมู่สมมติว่าให้ผมเป็นเจ้าของวัด ผมก็เป็นห่วงว่าการเป็นอยู่ของหมกหมู่พวกเพื่อนนั้นจะอยู่อย่างไรก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายเห็นใจนะเห็นใจผมที่ผมเป็นหัวหน้าอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาขึ้นภายในวัดถ้าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วอันดับแรกผม น, นะจะเป็นผู้ได้รับเหตุและผลนั้นได้รับเรื่องราวนั้นถ้าว่าพวกท่านดูแล้วเราไม่ไหวละ เราเฉื่อมถอยศรัทธาแล้วในพระพุทธศาสนาเราอยู่ไม่ได้แล้วเราก็ทูศีอยู่ทําไมให้ถามตัวเองเราทูศีอยู่ทําไมแต่ถ้าว่าเราพิจรารณาดูแล้วเราเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเอาละข่าวนี้ข้าพรเจ้าจะหาทางพ้นทุกข์ให้ได้จะส่องแสวงหาทางพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ ยังไม่มกวนเวียนกลับไปสู่วัตฏสงสารอีกลมะมีแต่มุ่งมั่นลูกเดียวยกตัวอย่างอย่างผมเป็นต้นตผมเห็นไหมผมเองกระบฏแต่สั ม, มนเนนน้อยอายุสิบแปดสิบสองปีตนถึงขนาดนี้ลหละเป็นยังไงผมไม่ได้เสียใจกับการเป็นอยู่ของผมแม้แต่นิดเดียวผมมีแต่ความภาคภูมิใจผมอย่างมากที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายก็ น, น่าจะ เอาผมเป็นตัวอย่างว่ากั้นเรื่องว่าพวกโท่าทั้งหลายใจอาจารย์ตัดถางตัวเองแล้วอยากจะให้คนอื่นตัดถงังเหมือนกับอาจารย์กว่าอย่างนั้นแหละผมไม่ได้ตัดถางนะอผมภาคภูมิใจอย่างมากที่ผมประพฤติปฏิบัติมาเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษาไปเรื่อยๆก็แล้วกันถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละทีแรกก็มาบวชพอบวชออกไปแล้วชูกิเลสตัวเองไม่ได้ พอไปเป็นคารวาสแล้วไม่เท่าไหร่หันกลับมาผมเห็นแล้วองน่าตำหนิอย่างมากมาบวชเมื่อพายแก่งงกกันเงินสมัยเมื่อเป็นหนุ่มเป็นไงสู้กิเลสตัณหาตัวเองไม่ได้แม้ว่าเป็นจะเป็นสวรรค์วิมานพอมาถึงจุดนี้แล่นั่นแหละมันอ่อนมันเสื่อมไปหมดแล้วก็เลยคิดถึงวัดผมว่าหน่าตำหนิเพราะนั่นพวกเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะให้มีความมุ่งมั่นให้มีความพยายามไม่ให้มีความอดทน ให้มีความสัจจะจริงใจในจิตใจของตัวเองให้แน่วแน่นะพยายามเดินฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการอจารพิษที่พยามารขวางเอาไว้ราคะบังโลภโกรธหลงบังราคะนานาไดยหลายอย่างความรักความชอบความลุ่มหลงมัวเมากับเรื่องการมัม ก, กิเลสอยากให้มัน เข้ามาสู่จิตใจของเราได้เราต้องพยายามอย่าไปติดกับดักของกิเลสนะอย่าไปติดกับดักของพยามานพยายามแห ว, วกว่ายออกจากวัฏสงสารให้ได้นะการพูดการแสดงธรรมพอเห็นมาสมควรพอจบตอนนี้ก่อน